ก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พาอ น, นุ์กราบทูลเชิญพระโ์ว่าให้ไปวันนี้มีการที่อื่นไปเมืองใหญ่ดีกว่าปิสินาลาเมืองมันเล็กพระพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าบอกว่าเมืองปิสินาลาแต่ก่อนเป็นเมืองที่ใหญ่ชื่อปิสาวดีีพระเจ้าจักรพรรดิปกครองเลยชื่อว่ามหาสุทธนะ แล้วก็องบอกว่าบริบูรณสมบูรณ์ทุกสิทุกอย่างสุดท้ายพระมหาสุทณะก็สวรรณคตแล้วก็เธออาจจะคิดว่าพระเจ้ามหาสุทณะเป็นคนดีนที่จริงเป็นเราตถาคตเป็นเราตถาคตเราเคยเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิอย่างพระเจ้ามหาสุทณะแล้วก็มาสวรรณคตที่นี่หกครั้งแล้วคล้ายๆมันซ้ำๆนะ เหมืนซ้ำๆอะชีวิตอะที่เราได้มานี่ก็แสดงว่าเราก็ต้องเคยมาอยู่ที่นี่นะอาจะมาเคยเกี่ยวข้องมาเคยปลกพันเวียนไปเวียนมาก็เวียนมาที่นี่อีกอาจจะเคยเกิดเคยตายอยู่แถวเนี้ยนี่นีอันนี้มันเป็นเรื่องของวัตถุสงสารแต่ใครฟังแล้วยังอยากเกิดอีกก็โอเชิญเชิญเชิญ <laughs> อยากจะใช้คำว่า น, นีมนน่มน <laughs> น่มนเลยพระเจ้าค่ะ <laughs> คือคือผู้เจ้านี่พูดให้เบือนหน่ายว่าตัดสงสัยเพราะว่าวิญเกิดวินตายอย่างพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีทรัพย์สมบัติมหาศาลเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คือว่าพระเจ้าจักรพรรดิในฝ่ายโลกียะนะในฝ่ายโลกเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดก็คือพระเจ้าจักรพรรดิมีทรัพย์มีอะไรมากมามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พระพุทธเจ้า ก็ยังสอนให้ทิ้งให้ปล่อยให้วางไม่ให้ยึดมันแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่แหละเหตุผลที่พระองค์จะต้องมาปรินิพานที่กุสินาราก็เพราะว่าพระองค์เคยเกิดเคยตายอยู่ที่นั่นสวนนคตที่นั่นและก็คงจะอยู่ในจดจําในความจําทรงจําของพระองค์นั่นแหละว่าจะไม่มาตายที่นี่เป็นครั้งที่8นะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งที่7ทีนี้ที่นี่ก็เป็นที่ปรินิพานของภาษาลิบิ และก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตมากเลยนะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นยุคสมัยที่าศาสนาพุทธที่ประเทศดีเยนลุ่งเรืองสุดขีดเลยนะสมัยนั้นพระสงฆ์นี่มีคุณธรรมสูงกันและก็มาศึกษามาเรียนรู้ธรรมะที่ในอยู่ที่นี่เป็นตึกแผนแต่ว่าก็สุดท้ายก็ถูกทําลายนะถูกเผาถูกทําลายพระถูกฆ่าตายเยอะแยะเลยอยู่ที่เนี่ย เขามาก็บอกว่าเอาพระตกลงกันมา่าเราจะไม่สู้ลบตกเนื้ออะไรนลยไม่หนีไม่สู้แล้วก็นั่งนั่งสมาธิพวกอิสลามก็ฆ่าตามสบา ย, ยแต่พระท่านจิตของท่านมันสูงส่งแล้วเนี่ยในเมื่อมันจะตายอยู่แล้วชีวิตอท่านก็ช่วยโอกาสเอาธรรมะมาสอนจิตให้รู้จักให้ปล่อยรู้จักวางให้รู้ว่าอัตภาพ ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรรอบๆอยู่ชั่วคราวเฉยๆภาษาริบุตรนี้ก็เหมือนกันนะพระองค์ท่านภาษาลิบุตรเนี่ยที่บรรลุธรรมก็อยู่ที่ถ้ำจุกะระขาตาอันนี้อยู่ที่เขาคิช ก, กูลนะถ้าเราไปวันพรุ่งนี้เราจะผ่านถ้าที่ภาษาลิบุตรพักแล้วก็เป็นถ้ำที่พระภาษาลิบุตรเนี่ยฟังธรรมมากของพระพุทธเจา้าและก็บบรรลุธรรมที่นั่นทีนี้ ภาษาลีบุตรเนี่ยถวายงานพัดพัดโบพัดพระพุทธเจ้าอยู่ก็มีหลานภาษาลีบุตรนี่เป็นหลานนะก็เป็นพี่พะชกอะเป็นคนนอกศาสนาก็สงสัยเหมือนกันว่าลุงภาษาลีบุตรนี่เป็นลุงว่าลุงเนี่ยทาไมอะจึงไปบวชทิ้งศาสนาเดิมของตัวเองแล้วก็ไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าก็มีทิฏฐิมากว่าพระพุทธเจ้านี่มีดีอะไรทําไมผู้เป็นลุงเนี่ยจึงไปอยู่กับพระพุทธเจ้า ศาสนาเราไม่ดียังไงก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ถ้ำสุกระขาตาพอไปถึงแล้วพอกาบอะไรเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วก็ตั้งคําถามพระพุทธเจ้าถามว่าข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าเลยหรือว่าถามแบบทิฐิรุนแรงเลยนะคือหมายว่าไม่ไม่มีอะไรดีเลยฮะพูดง่ายๆไม่มีอะไรเลยในโลกเนี่ยที่ควรแก่ข้าพเจ้า พระเจ้าไม่เห็นอะไรเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรแก่ข้าพเจ้าปุ๊บตั้งคําถามไปพระพุทธเจ้าสงบนิ่งฟังคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบไปตอบไปว่าแม้ทิฏฐิคือความเห็นที่ท่านพูดนี้ก็ไม่ควรแก่ท่านด้วยดูสิรวดเร็วขนาดนั้นนะปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ในขณะที่คนนี้คิดว่าตัวเองนี่แน่นอนแล้วหรอหมายว่าสิ่งทั้งปวงนี้ไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ผูหญ่บอแม่ความเห็นนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านด้วยเหมือนกันปั๊บต่ําตึกเข้าไปหาจิตนลยนะเนี่ยมันแทงเข้าไปที่จิตของปริภาชก ค, คนนั้นยอมรับขึ้นมาเลยนะโอ้แม่ความเห็นนี้ก็ไม่ควรแก่ขปาาจาความเห็นนั้นก็ไม่ควรแก่ขเจาสแสดงว่าความเห็นนี้มันดับพึบไปเลยความยึดติดข้องนี้มันดับพึบไปเลย คือทีแรกมันมีความเห็นว่าไม่มีอะไรเลยควรแก่ข้าพเจ้าไม่มีความเห็นใดเลยควรแก่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรวรเลยควรแก่ข้าพเจ้าแต่ลืมไปว่าไอความเห็นอันเนี้ยความเห็นที่ตัวเองยึดอยู่เนี่ยที่ว่านี่ที่ว่าข้าพเจ้าถูกเนี่ยข้าพเจ้ามันมันดีมันถูกเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรเทียบเทียมแล้วกันกองมาจากกิจจใจแล้วข้าพเจ้าชี้เข้าไปแม้ความเห็นนี้ก็ไม่ควรแก่ทานด้วย ก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นในจิตไม่ว่ละที่ความที่ไม่ถูกไม่ตรงไั้ปริภาชคนั้นสามารถบรรลุพระโสดาบันได้พระพุทธเจ้าอธิบายต่อว่าถ้าท่านเห็นว่าความเห็นทั้งปวงไม่ควรแก่ท่านมันก็จะไปขัดแย้งกับคนที่มีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าแล้วก็จะขัดแย้งกับบางกลุ่มชนที่บอกว่าสิ่งทั้งปวงบางอย่างควรแก่ข้าพเจ้าบางอย่างไม่ควรแก่ข้าพเจ้า เป็นปิศนาธรรมนนเนี่ยคือความเห็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ยึดถืออะไรไม่ได้สรุปแล้วก็คือว่ามันเป็นแค่ความคิดความเห็นมันเกิดและกะดับไปแต่เนื่องจากว่าปริพาชคเนี่ยเขาก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะนั้นความเห็นเขามันแคบแต่พีเยอชี้ให้เห็นเลยว่าความเห็นทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่ความเห็นเนี่ย บางอย่างมันก็อาจจะถูกบางอย่างก็อาจจะตรงมันอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์อันไหนมีประโยชน์ก็เอามาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปยึดมันหรอกว่าเป็นความเห็นของเราว่ามันเป็นที่ถี่ของเรามันเป็นแค่ความคิดความเห็นที่สุดถ้ามีความเห็นอื่นที่ดีกว่าถูกกว่าตรงกว่าเราก็เอามาได้ไอความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันจะให้เหมือนกันทุกอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยมันทําให้คนคลับแคบ ยึดติดว่าเออีนความเห็นของเราดีว่ามเหุนงเราถูกความเห็น ข, เ ร, เ, นขเราตรงคนอื่นก็จะปัดออกเนี่ยเนี่ยสิ่งที่พี่ย่อสอนนี่ก็คือว่ามันลึกซึ้งมากหมายว่าไปยึดทิฏฐิไปยึดความเห็นว่าความเห็นของเราถูกความเห็นขเขาดีความเห็นของคนอื่นผิดหมดเงียบหมดปัญหาปัญหาในใน ใ, ในโลกเราเนี่ยก็มีตรงนี้ด้วย อางคหนึ่งมีความเห็นว่าเชื่อว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกก็จะยึดความเห็นนั้นตลอดไปใครหนึ่งก็เห็นว่าของฉันดีอย่างนี้ดีความเห็นอย่างนี้ดีถูกก็ยึดความถห็มันก็จะทุ่มเสียงกันเกิดการทะเลาะวิวาทกันอันนี้ผู้เจ้าก็สอนต่อมาผนะู้ได้ฟังว่าเออนี่แเป็นเพราะความคิดความเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในโลก เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือไม่ควรยึดความเห็นอะไรถ้าอะไรดีอะไรถูกมันมีคุณค่ามันมีคุณประโยชน์ก็เอามาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องไปยึดว่าเป็นความเห็นของเรามันเป็นธรรมมันเป็นสิ่งที่ควรทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมองไปที่ตรงนั้นนี่คือมองไปหาธรรมะภาษารีบุตรก็ถวายงานพัดก็ฟังธรรมะไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนต่อไปอีกสอนปริพาชคคนนั้นแหละสอนเลื่อนร่างกายถึง เนี่ยพอเขาละความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงละจิตเขาก็เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาละไม่ยึดความคิดความเห็นตัวเองเอามากั้นมาขวางละมันวางแล้วมันปล่อยแล้วจิตก็ว่างเปล่าแล้วจิตก็พร้อมจะฟังธรรมะซึ้งลึกซึ้งเข้าไปละพระเจ้าประชี้เข้ามาหากายว่าร่างกายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยของคนเราก็เหมือนกันมันก็แค่อาศัยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงอาศัยน้ำทดินน้ำลมไฟ รวมกันเข้ามาแล้วก็อาศัยอาหารหล่อนอย่ามันก็จะเริญเติบโ ต, ตไปได้หมดเหตุหมดปัดจจัยเมื่อไหร่เมันก็แตกมันก็ดับมันก็สลายไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปยึดมั่นถือมัน่นภาษาลิบุก็ฟังไปฟังไปฟังไปด้วยส่วนปริภาชคก็ฟังไปคือผู้เจ้าการแสดงทำลุมลึกตั้งแต่เริ่มการละทิฐิความเห็นที่มันมันผิดความเห็นที่ไม่โกรธเห็นละความเห็นของตัวเอง เดี the official, the really the ๋ยวมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งต่อคนอื่นต่อคนทั่วไปที่มีความเห็นไม่ตรงกันเราความเห็นบางอย่างบางครั้งมันก็อาจจะมีประโยชน์บางครั้งไม่มีประโยชน์ก็ได้ความเห็นเดิมนั่นแหละในเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์บางเหตุการณ์มันอาจไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเอาตรงที่ว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองไหมเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไหมมันถูกต้องมันชอบทํำไหม อางนั้นผู้เข้าสอนเรื่องกายเมื่อร่างกายอันเนี้ยคนเราเกิดมามันก็มีความเจ็บความป่วยความไข้ติดมาแล้วมีความตายมาแล้วถ้าใครสามารถทําใจได้จริงๆนะว่าเมื่อเกิดมาพั๊บต้องตายทันทีจิตมันจะไม่ยึดกายเลยนะถ้าใครสามารถที่เกิดมาพั๊บแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาได้ว่าไอ้ร่างกายอันเนี้ยเมื่อมีเกิดต้องมีตายแน่นอน เวลามีใครตายก็จะไม่ทุกข์เลยเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติจริงๆแต่มันต้องใจมันต้องยอมรับจริงใจต้องทำได้จริงส่วนใหญ่มันทำได้แต่คาพูดทำได้แต่ความคิดความเห็นมันยังไม่ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจเพราะเวลามีใครตายยังมีความทุกข์โศกเศร้าหมองเพราะเราไม่อยากเขาตายไม่อยากให้เขาพักากจากไปอยากให้เขาเป็นอยู่ตลอดไป อยู่กับเราตลอดไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่แหละจิตที่ไม่รับความจริงนี่มันจริสร้างทุกสร้างฝันหาให้เกิดตัวเองเป็นอันมากผู้เจ้าก็สอนให้เข้ามามองดู ก, กายตัวเองหมายร่างกายอันเนี้มันก็อยู่ชั่วคราวชั่วเฉยอาหารการกินอะไรรับประทานเข้าไปบางทีแทนที่มันจะมีความสุขความสบายพราะทานเข้าไปแล้วมัน ทาให้แพอาหารเมาอาหารเนี่ยทำให้ง่วงให้ซึมให้เปลอยทาให้อืดอัดก็ไม่สบายขึ้นมากระไดแต่มันก็จะจำเป็นต้องรับประทานเอาเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเอาพอมีชีวิตอยู่ได้เนื้เกิดมามันก็ต้องมีเจ็บป่วยไขย่อย่างนั้นเราเดินทางอย่างเงี้ยเราเดินทางมาวันแรกเข้าไปใน พุทธกยาไายต้นศีมาโหโอ้โหฝุ่นนี่มันเยอะจริงๆเลยนะเพราะคนทุกสาราทิศอะ่ะมันก็มาตรงเนี้มีอานุภาพของพระพุทธเจ้าแม้แต่พวกเราก็ต้องมาเพราะอะไรอะ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญต่อ จ, จิตใจมันลึกซึ้งกับจิตใจของพวกเราเมื่อมาแล้วมันมีกําลังใจแล้วโดวยอนุภาพของพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่จริงด้วย คือไม่ว่าอะไรก็ตามนะที่พระยอดตัดเอาไว้อธิษฐานจิตเอาไว้เนี่ยมันจิงหมดเลยนะแล้วมันจะมีอานุภาพมาถ้าใครที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจริงจริงใจศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมในพระสงฆ์จริงแล้วก็ไม่เอาอะไรละ่ะที่เป็นที่พึ่งที่เลาจะยอีกต่อไปนะมั่นคงอยู่แค่เนี้ยเขามีอะไร เป็นอันตรายขึ้นมาสามารถบอกตัวเองได้ข้าพเจ้ามีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเด็ดขาดไม่หวังพึ่งอะไรอีกต่อไปเราจะเอาครึ่งคุณวีดามารดาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจอนุภาพที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะออกไปเชื่อมกับรับกับไอออนุภาพที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันมีอยู่จริง เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าเธออย่ามีอย่างอืงอ่นเป็นที่พึ่งเลยเธอจงมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเธอนีอันนี้มีความสําคัญเพราะนั้นถ้าใครสติดีๆเวลาเจออุบัติเหตุหรือใกล้จะตายแค่สามารถบอกกับตัวเองได้ว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพุทธเจ้าหรือว่าข้าพเจ้ามีพุทธเจ้ากระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแค่นี้ก็ไปสุคติได้แน่นอนแล้วเพราะนั้นต้องรักษาจิตดีๆ มีสติรักษาจิตดีๆอย่าให้จิตเป็นหลงกลัวเป็นกลัวตายไปฟุ้งซ่านไปยึดนุน่นยึดนี่ห่วงใ ย, ยอันนั้นห่วงใ ย, ยอันนี้ไม่ได้เลยให้มันเข้ามาอยู่กับตัวเองนี้ควบคุมจิตให้อยู่แล้วก็ประกาศออกมาเลยแค่มีพระเจ้าพระทรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่ก็ไปสุขตไดังนะแต่ถ้ายิ่งกว่านั้นเข้ามาเลยดูความจริงเลยดูความจริงเลยสิ่งที่พระเจ้าสอนคืออะไรก็คือไม่ให้มายึดขันห้าเลย อย่างที่พระสารีบุตรทวายงานพ ร, พระพุทธเจ้าแสดงครับว่ากายไม่ใช่ของเรามันมันอาศัยอยู่ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันแล้วก็ใส่อาหารหล่อเลี้ยงมันก็เลยอยู่ได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมไปสินไปสลายไปหรือเกิดมาแล้วก็ต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้อย่างเราเดินทางไปอย่างเงี้ยฝมันเยอะบางทีเราก็ไม่เคยชินกับอากาศที่นี่ มันมามันก็หนาวเนะกลางคืนมันยิ่งหนาวจัดร่างกายของเรามันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาไม่ทันมันก็อาจจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรก็ได้อันนี้เราก็พึ่งหมอไปพึ่งอยู่พึ่งยาไปแต่ความจริงอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเราไม่หวั่นไหวมันจะเป็นยังไงก็เป็นควรรักษาตรักษาไปเราไม่ติกังวลกับมันอันนี้แสดงว่าเรารู้เข้าใจแล้วก็ ปล่อยวางได้นี่พระพุทธเจ้าคืงสอนความจริงเพื่อให้เราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาแล้วก็อบรมจิตใจของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมันยอมรับความจริงมากขึ้นคือถ้ามันปฏิเสธความจริงมันไม่ยอมรับความจริงมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ถ้ายอมรับความจริงมันจะปล่อยเพราะมันมันมันเป็นความจริงจิตเนี่ยมันก็ต้องการความจริงเหมือนกันถ้าไหนไม่จริงเนี่ยมันหลอกลวงจิตไม่ได้คือจิตมันมันมันไม่เชื่อถ้าไหนไม่จริง แต่ถ้าลองจริงลงไปย้ำลงไปย้ำลงไปเจอถ้าจิตมันเชื่อแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ปฏิเสธความจริงเลยแล้วมันจึงจะปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงพุณเจ้าก็สอนเรื่องกายที่ลงมาที่กายวะเนี่ยสุดท้ายมันต้องแตกแบบสลายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อแตกเพื่อดับเพื่อสลายเดีย๋ยวพวกเราเนี่เรเคยไปเผาศพมาเยอะ คนที่มีชีวิตอยู่เคยอยู่ร่วมกันมาเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นอาเป็นพ่อเป็นแม่กันพอตายลงกันแล้วมันก็แต่ภาพที่มันเคยเป็นพ่อเป็นแม่อะไรมันก็หมดไปอ่ะไอ้ร่างกายเท่านั้นมันตายอ่ะแต่จิตมันตายยังไม่เป็นตายยังไม่ได้ถ้ายังไม่ถึงพรนิพพานจิตมันต้องไปเวียนเกิดเพราะฉะนั้นคนตายเนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าเขาตายอะไรเขาไปเกิดคิดง่ายๆเลยว่าเออคนนี้เขาไปเกิดแล้วนะไปเกิดแล้วนะทีนี้ถ้าคนไหนเขาทำดี ทำบุญสุนทานหรือว่าประพฤติปฏิบททัติธรรมเราก็มั่นใจว่าเขาไปสุขติแน่นอนแล้วถ้าเขาทำกรรมไม่ดีอันนีไ้ไม่มีใครเปลี่ยนกรรมเขาได้เราก็ได้แต่สรตวโลกมึงเยียวยาตามการมทำอะไรไม่ได้ยาบางคนก็มามาเล่าให้ฟังพ่อป่วยหนนะักไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะก็มีนิมิตนิมิตบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเออนิมิตเหมือนเป็นจริงเป็นจังเลยนะ พ่อเนะี่ยต้องถือไม้ถือไม้เอาไว้เวลาอยู่เฉยๆอยู่ที่เห็นไม่ได้บอกว่าจะมีคนเยอะแยะมากมายเลยมามาแล้วก็จะมายื้อมาแย่งของของแกไอ้พวกนั้นมันจะมายื้อแย่งของของแกคนอื่นเขาไม่เห็นนะแต่แกเห็นนะ่ะแกก็ถือไม้เอาไว้คอยไล่คอยไล่ตีพวกนั้นไม่ให้มาแย่งนี่ก็คือภูมิมาพวกนี้เป็นภูมิเปรตเปรตวิสัยคือพวกที่มีความโลภมันปรากฏมันปรากฏขึ้นมาแสดงว่าถ้าเขาตายภาวะจิตของเขาอย่างนั้นเขาจะต้องถูกเกิดเป็นเปรต เพราะว่ามันมันเป็นสภาวะของคนที่มีความโลภจะมายืมมาย่งมาเอาของคนนัน้นคนนี้ก็ต้องพูดธรรมะให้เขาฟังพูดธรรมะให้เข้าใจให้มันคลายออกให้หันมาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าให้เอาดอกไม้บ้างใส่มือออาวันนี้จะเอาไปบูชาพระนะเอาของเอาอะไรวางใส่มือถ้าเขาไปทำบุญเองไม่ได้วันนี้นะจะไปทาบุญนะ ให้เขาระลึกถึงบุญถึงความดีขึ้นมาใจเขาดีขึ้นมาบางทีมันสิ่งขอมเนิมิตก็เปลี่ยนไปสมัยอาตมาไปอยู่คูไม่ห้าเขาม่ใหม่อ่ะพ่ออาจารย์สังหา น, นี่ก็มาด้วยเนี่ยพ่อเป็นพี่สะ้ายอย่าโยมโยมพิติอยู่ที่วัดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นพี่สะพ้ายพ่อก็ป่วยป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มีนิมิตปรากฏขึ้นมองไปเห็นพยาบาลเขากําลังตั้งร้านขายของ คนโตทําอาหารคนเล็กก็เสิร์ฟอาหารคนที่มาโรงพยาบาลเป็นคนไข้ก็ตามญาติคนไข้ก็ตามก็เป็นลูกค้าหมดเลยบริโภคอาหารนี้หมดมีทั้งกอดกันจูบ ก, กันกระเซเอาเย้าแย่กันเล่นกันกินอาหารกันไปคล้ายๆเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เขามองเห็นแต่คนอื่นก็เห็นธรรมดานี่แหละเราเห็นพยาบาลเขาก็ทําหน้าที่ใหญ่เอายาไปให้คนไข้ดูแลคนเจ็บคนป่วย แต่ว่าคนป่วยที่มีสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าจะต้องใกล้เวลาที่เขาจะต้องตายนิมิตปรากฏขึ้นมาเลยก็ขึ้นไปที่วัดไปหาแล้วไปเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่านี่แหละนิมิตปรากฏแล้วเขาจะต้องตายแน่ๆแล้วตายนี่ยังดีไปเป็นเหมนือนแต่เป็นมนุษย์ในระดับนี้ะระดับที่เรียกว่าทํามาหากินหาอยู่หากินไปวันๆอย่างเงี้ยขายของบ้างอะไรบ้าง มาค้าขายแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งแต่ก่อนนี้แผ่เมตตาได้ก่อนหลับก่อนนอนภาวนาพุทโธได้พอนิมิตนี้ปรากฏขึ้นมาปรากฏว่าแผ่ไม่ตาไม่ได้พุทโธก็ไม่ไกลัวแผ่เมตตาเมื่อไหร่ฝันหินผีทันทีนี่บันทอนล้วคำเริ่มเริ่มบันทอนแล้วก็เลยบอกว่าเออเอานะจะลงไปนะแล้วก็ให้ใส่บาตรให้เรียมหารให้ใส่บาตร พอลงไปครั้งแรกก็ บ, บอกว่าให้อดีตานจิตนะเกิดชาติใดก็ตามขอให้ได้พบพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งปุ๊บจิตมันก็มีที่พึ่งขึ้นมาแล้วรู้สึกดีขึ้นเบิกบานขึ้นเป็นระยะสังระยะหนึ่งลงไปใหม่อีกใส่บาตแล้วก็ให้ทบทวนมานี่ข้อที่หนึ่งว่ายังไงแล้วข้อที่2เพิ่มขึ้นไปเมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วให้เป็นผู้ที่มีจิตสุธาเลื่มใสไม่เปลี่ยนแปลง ให้รู้สึกว่ามีที่พึ่งมีหลักก็รู้สึกว่าดีขึ้นพอไปครั้งที่สาใส่บาตรแล้วก็ให้ได้พบพระพุทธเจ้านะแล้วให้ท่านอบรมสั่งสอนท่านจะได้สอนถูกตรงกันหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรงกันหลักความเป็นจริงปึ๊บดีขึ้นครั้งสุดท้ายก็ขอให้ได้ปฏิบตัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการเย็นว่ยนายตายเกิดมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรขอใกล้จะตายมา เราก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมได้มันจะไปไหนตอนไหนเราก็ยังไม่รู้แต่นินดๆนะบอกแนละ้วว่าจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ก็ลําบากมาหากินปลายอย่างนั้นแหละแล้วก็ตายไปอยู่อย่างนี้แหละมันมันมันบอกชัดเจนก็เพื่อให้จิตมันมีกาลังขึ้นมาให้บุญมันมากขึ้นครับให้ใส่บาตรให้มีความหวัง ว่าจะได้ฟกคําสอนของพระเจ้ามีความหวังว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มากได้น้อยแค่ไหนก็เอาแล้วแต่ ก, กรรมที่เราทาดีที่สุดก็สังเกตดูว่าพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแล้วทีนี้รู้สึกว่าสติอะไรก็ดีขึ้นมาแล้วให้พาะวาพุทธโธบ้างก็กล้าพระวันมาขึ้นมาไม่กลัวนี่แหละกรรมบันบันทอนได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกําลังใจขึ้นมามีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระทรมประสงค์ แล้วยิ่งถ้าหากว่าใครเห็นละทิฏฐิความเห็นที่ผิดได้เห็นที่ผิดก็คือเห็นอะไรอะไรก็เป็นตัวเราเป็นของเราไปหมดอะทิฏฐิความเห็นต่างๆก็ว่าเป็นของเราอะกายก็เป็นของเราเวทนาเป็นของเราจิตเป็นของเราอันนี้คือความเห็นนี่แต่เราไปหมดเลยอะแต่จริงๆแล้วเราเกิดมาโลกใบนี้อยู่ชั่วคราวมีทุกคนที่นั่งอยู่นี่อยู่ชั่วคราวที่เฉย เสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยอะไรเราก็ใช้สอยตอนที่เราอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกมันจึงเหมือนไม่ใช่ของเราอ่ะเราแค่เอามาใช้สอยเฉยๆให้มีชีวิตอยู่ในโลกอยามีความสุขความสบายให้ความอบบุญแก่ร่างกายให้ชีวิตมันดำเนินอยู่ไปได้แต่ไม่ใช่ให้ยึดติดข้องไม่ให้ไปลุ่มหลงว่ามันเป็นของเราตลอดไปที่ความยึดของเราเนี่ยมันมันมนกจะยึดเป็นเราเป็นเราแบบเหนียวแน่นะ่ะ เหมือนจะเป็นเราตลอดไปเหมือนมันจะเที่ยงมันคงอยู่ตลอดไปเหมือนไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้มันจริงเป็นความเห็นที่ผิดมันเป็นวิชาทิฏฐิแต่ถ้าเราทําความเข้าใจใช่ไหว่ามันเป็นเครื่องอาศัยไหมเหมือนอาหารอย่างเนี้ยมันเครื่องอาศัยอาศัยถ้าว่าพูดให้มันชัดเจนก็คือว่าเป็นเครื่องคันตายกันตายถ้าเราไม่รับประทานอาหารมันจะตาย เราก็เลยต้องรับประทา น, น, นมันอาศัยให้เรามีชีวิตยอยู่ในโลกไปได้แต่ต้องไม่ไปยึดไปติดไปข้องกับมันมันมายังไงก็เอารับประทานเพราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายเรามีชีวิตยอยู่ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือธรรมะสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อจิตใจสามารถทําให้จิตใจเราคลายลุ่มหลงค ล, คลายความยึดติดข้องในสิ่งทั้งหลายเพื่อจะปล่อยวาง ให้จิตของตัวเองเป็นอิสระค้นไปจากสิ่งที่มันยึดติดข้องนี่แหละเพราะมันยึดติดข้องมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เรายึดอย่างที่เราติดอย่างที่เราข้องเราไปยึดไปติดไปข้องเนี่ยมันพาเราจมลงไปมีอำนาจของความยึดติดของอำนาจของอุปาทานพอเรามีอุปาทานเรายึดเราไว้แล้วเนี่ยมันก็จะทําทตามอำนาจของความยึดของเรานั่นแหละมันก็ไปสร้างกรรมขึ้นมาเขาเรียกว่าพบกรรมมาพบสร้างกรรมขึ้นมา กรรมมันนี้มันก็ติดอยู่กับตัวเรามันก็ผลักดันให้เราเวียนไปแต้เกิดมันเกิดขึ้นในจิตสัก่อนมันจะปรุงแต่งขึ้นมาจะทำกรรมอย่างนั้นทำอย่างนี้ลงมือทําพอตายไปบั๊บมันก็ไปหาล่างล่างรองรับกรรมที่เราเคยทาเหมือนเราเกิดในขณะนี้ยเราเกิดเรามีชีวิตอยู่อย่นี้ก็มาตามอํานาจของกรรมเหมือนกัน กรรมในอดีตเด่ะมันที่เราเคยทำแบบชาตินี้เราเราทากรรมนั้นันนี่นีน่ไว้แล้วก็มีความหลงว่าเราเราทำเราทำนี่คือทำเพื่อให้เรามีความสุขเราอยากให้เรามีความสุขเราก็ไปทำกรรมพอทำกรรมแล้วเนี่ยมันก็เก็บเอาไว้ว่ามีเรามีเรามีเราไอ้กรรมนั้นก็เลยผลักดันให้เรามาเกิดเป็นคนอย่างในปัจจุบันนี้ถ้าเรายังไม่รู้ความจริงยังมีเราอยู่ต่อไป เราก็อยากให้เรามีความสุขต่อไปไม่อยากมีความทุกข์แล้วเราก็จะทำกรรมเพื่อให้เรามีความสุขเราจะทำกรรมเพื่อไม่ให้เรามีความทุกข์แล้วกรรมที่มีอยู่ประทานยึดมีเรามีเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็ผลักดันให้ไปเวียนได้ยใยเกิดอย่งเงี้ยนี่แหละที่ว่าอาวิชาน่ะมันทำให้เราเวียนไหวใยเกิดก็คือความหลงของเราหลงว่ามีเรามีเรา เราก็ทำอะไรเพื่อนเราอยากให้เรามีความสุขมันจะรักเราลักห่วงเราห่วงใยเราห่วงใยเราก็ห่วงใยคนอื่นที่ว่าเป็นของเราจิตญาติของเราลูกของเราสามีของเราคนที่เรารักเราใครความทุกข์มันก็ขยายออกไปคนไปยึดเอาสิ่งนน้นสิ่งนี้มาเป <sh arp inhale> ็นของเราเพราะอะไรกระทบกระเทือนของเรามันก็กระทบเทือนถึงจิตเราเราก็มีความทุกข์มากแต่ถ้าเราวางใจถูกอะไรควรทําเราก็ทําไปเป็นตามหตามปัจจัย แต่เราจะไม่พยายามไปยึดมันอะไรควรทําก็จะทําอะไรไม่ควรทํำเราก็ไม่ทำํำแล้วพยายามไม่ให้มีตัวตนก่อเกิดขึ้นมาเพราะถ้ามีตัวตนก็เกิดขึ้นในจิตมันก็จะมีกรรมเพราะมีเราเราผลของกรรมมันก็ผลักดันให้เรามาเกิดตามอํานาจของกรรมนั้นเราก็อยู่ใต้อํานาจของกรรมทีนี้วิธีออกจากกรรมดิ่หนูพกกระยอเขาสอนให้มีสติรู้รู้รแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอก ดูแล ก, เเกเ็เห็นมันเกิดเหมันดับเห็นมันเกิดเห็มันดับจิตของเราก็จะคลายออกคลายออกคลายออกจากความลุ่มหลงเหมือนภาษาเหมือนพระภาษาลิบุตรฟังธรรมของพุทธเจ้าไปอริพาชคฟังธรรมพุทธเจ้าไปพระเจ้ามาชี้ลงมาว่าร่างกายอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราอะเดี๋ยวมันก็นแตกต้องดับต้องสลายไปแล้วไม่ได้อยู่ตลน้อยตายจากนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเวทนา ในสุดท้ายในเป็นเรื่องเวทนาว่าเวทนาเนี่ยเวลาเราสเสวยสุขเนี่ยมันก็จะสุขเดียวเท่านั้นเสวยพร้อมกันไม่ได้จะสเสวยสุขกับทุกพร้อมกันไม่ได้ก็แสดงว่าเวทนามันก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็มีสุ ข, ขเวทนาเดี๋ยวก็มีทุกขเวทนาเดี๋ยวก็าทุกขธรามสุขคือเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกหลวงพ่อจะไปชี้ลงว่าแม้เวทนาก็เหมือนกันมันไม่เที่ยง เพราะนั้นมีเวลาเาสมอสุขเวทนาแล้วทุกไปไหนอ่ะก็แสดงว่าทุกมันดับไปแล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องมาหลงสุขอะไรมากมายไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความทุกข์อะไรมากมายเพราะว่ามันเกิดแล้วดับเวลาเราทุกห่ะสุขมันหายไปไหนอ่ะมันก็เคยสุขนี่นานแล้วสุขมันหายไปไหนนี่แสดงว่าสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็เกิดแล้วก็ดับเป็นของเสื่อมสิ้นสลาย เืออทุกขมาสุกไม่สุกไม่ทุกก็เหมือนกันเวลาเราสุกเราทุกแล้วอทุกเขามาสุขหายไปไหนก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปผู้เจ้าก็จาะเข้ามาที่เวทนาขณะที่ภาษารังุฤษฟังธรรมมันมันเข้ามาที่จิตมันจาะเข้าไปหาเวทนาจิตมันไปไปดูเวทนาตรงไหนมันก็เห็นว่าไม่มีเราไม่มีเรามันก็ทิ้งหมดทิ้งหมดแล้วมันก็ไป ตัวผู้รู้นี่ก็จะเด่นขึ้นมาเองอย่างนั้นก็เห็นว่าผู้รู้อันเนี้ยจริงๆก็ไม่ใช่เราที่มันมีเวทนาก็มีเราอยู่ที่เราก็เลยมีสุขมีทุก ข, เ, ขเวทนาพอมันจาะเข้าไปจาะเข้าไปตามเข้าไปผู้รู้เวทนาผู้ดูเวทนาผู้ไปเสเวยสุขเสวยทุกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันดับขเขาหมดพระเจ้าก็บอกว่ามันไม่มีอะไรสุดท้ายพระเจ้าก็สรุปไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เลยว่างเปล่าจากตัวตน จิตก็เข้าสู่ธรรมชาติพอเข้าสู่ธรรมชาติจิตเนี่ยมันก็จะไม่เอาอะไรเพราะนั้นธรรมารัดสั้นที่สุดคือไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยไม่หลงอะไรเลยอารมณ์อะไรผ่านเข้ามารีบทิ้งให้เร็วเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมาชั่วคราวเฉเดียวมันต้องดับทีเรารู้ล่วงหน้าแล้วมันมาปุ๊บเราก็ติบทิ้งเลยทิ้งมันเลยปล่อยถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยอะไรควรทําเราก็จะรู้อะไรไม่ควรทําเราก็จะรู้ เราไม่ได้ไปยึดไปติดไปข้องอะไรเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจิตเราไปมองดูอะไรจิตเราจะไปหลงสิ่งที่เรามองดูเราลืมมองดูจิตเราเองตัวที่ไปดูอยู่ส่วนใหญ่จะลืมดูตัวที่ไปดูอย่างเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราไปเพ่งเล็งเฉพาะเวทนาแต่ตัวที่ไปดูละ่ะตัวที่ไปดูล่ะมันยินดียินร้ายมีไหมมันทํากําลังทําอะไรอยู่เห็นอาการของมันบ้างไหมว่ามันเป็นดูเบีขาไหมเห็นมันบ้างไหมว่ามันไม่ยินดียินร้ายนะ เห็นมันมั่งไหมว่ามันว่างเปล่ามันไม่ได้มีอะไรเห็นไหมในขณะที่มันไปเพ่งเล็งดูอย่างอื่นถ้าเรารีบปั๊บพลิกจิตกลับมาดูตัวมันเองตัวเองตัวเองตัวที่กำลังมองดูอยู่นั่นมันคือใครมันคืออะไรทำไมมันจึงไปเพ่งเล็งแต่ข้างนอกทำไมมันจึงไปดูแต่อารมณ์อื่นทำไมมันไม่ดูตัวเองบ้างทาไมมันจึงถอยกลับมาดูตัวเองไม่เป็น มันยึงคายออกจากตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันหลงอารมณ์ข้างนอกมันยึดอารมณ์ข้างนอกมันจดจ่ออยู่แต่อารมณ์ข้างนอกในขณะจดจ่ออยู่นั้นมันไม่เข้ามาดูตัวเองว่าตัวมันเองไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวจิตเองนั่นแหละมันไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวจิตเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งมันก็เลยว่างเปล่าจากตัวตน หรือย่างน้อยเราพลิกกลับมาดูสิว่าเออจิตเราอยู่ยังไงเวทนาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้าหากว่ามันสามารถเข้ามาเห็นจิตตัวเองได้ว่าขณะนั้นจิตเราอยู่ยังไงถ้ามันยังไม่เห็นก็พยายามที่จะดูว่าอะไรที่ดูอยู่นั่นอะไรที่เป็นตัวดูตัวอื่นอะไรที่กำลังมองดูตัวอื่นอะไรกำลังมองดูอะไรอยู่อะไรที่มันกาลังดูอะไรอยู่มันจะย้อนย้อนกลับมาดูจิต ตัวปัญญาที่มันสามารถย้อนกลับเข้ามาดูจิตตัวเองได้มันจึงเป็นปัญญาขั้นสูงสุดเลยพอเข้ามาถึงจิตปับ๊บไอตัวที่ดูอยู่นั่นก็ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรมันก็เลยจบอยู่ตรงนั้นว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยเพราะว่าเราไม่หลงว่ามีอะไรเป็นเราเป็นของเราอีก่อไปแล้วมันก็ลงสู่ธรรมชาติไปหมดเลยนี่ทุกข์มันก็จะเลยดับไป ภา ษ, าษาลิบุตรฟังธรรมมาพุทธเจ้าไปก็มีความลึกซึ้งก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะก็คือไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เกินก ร, กระดับไม่ได้มีอะไรเลยลึกซึ้งเข้าไปแม้ตัวจิตที่ไปมองดูสุขมองดูทุกข์มองดูอะไรต่ออะไรอยู่ตัวนี้เองก็ไม่เป็นอะไรด้วยไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยมีภาษาลิบุตรก็เลยบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าไป เนื่องจากว่าบริเวณนี้มันเป็นศัตรูของภาษาลิบุตรเราก็เลยฟังธรรมะว่าอภาษาลิบุตรเนี่ยท่านได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้แจ่มแจ้งชัดเจนในความจริงความจริงก็คือว่าเราฟังธรรมพระเจ้าไปตามลาดับว่าไม่ยึดติดเข้าอะไรในความเห็นของตัวเองก็ไม่ยึดเราเคยนุ่มหลงว่าความเห็นว่าเราถูกความเห็นของคนอื่นผิดเนี่ยมันเกิดการทะเลาะวิวาห์หลวงพ่เจ้าบอก ความเห็นมันก็ไม่ได้เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ุู้เจ้าพ่สอนเรื่องให้พี่น้องร่างกายสอนปฏิภาชกเห็นไหร่างกายอันเนี้ยมันก็เป็นของเกิดแก่เจ็บตายมันนี้ประชุมของข้าบดินน้ําลมไฟแล้วก็เป็นของต้องแตกกระจัดกระจายไปหมยแต่ยังร่างกายเราเราต้องรู้ลงหนาแล้วว่าเราต้องตายมันต้องตาย ถ้าใครสามารถระลึกถึงความตายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเวลามีทุกข์ขึ้นมาปับ๊บสามารถที่จะใส่ความรู้อันนี้เข้าไปได้ตายไหมตายไหมเราจะต้องตายอยู่แล้วเนอะจะทุกข์ทำไมทุกข์ก็จะดับแต่ถ้าความปัญญาเรามันไหมเร็วอะพอเวลาทุกข์มาเราก็จะอดควรวนข้ามควนเจ็บปวดทุกข์ทรมานไปจากนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่อง เวทนาสามไม่ได้ติดข้องเวทนาแล้วแม้กระทั่งสิ่งที่ไปรู้เวทนามันก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรเลยแลาเข้าสู่ธรรมชาติจิตจิตที่เห็นว่าตัวจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติยมันเป็นจิตที่หลุดพ้นคือมันจะเห็นตัวมันเองอยู่ตลอดว่าตัวมันเองนี่แหละ ที่ไม่ได้เป็นอะไรมันก็หลอกเราไม่ได้มันไม่สามารถไปสร้างภาพหลอกลวงเราถ้ามันยังมีเราอยู่เมื่อไหร่มันก็จะสร้างภาพหลอกลวงตัวเองคราวนี้เรามาดูว่าเรากำลังดูอะไรเรากำลังทําอะไรนี่คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือมีสติความรู้สึกตัวมีสติสตินี้มันก็ทําให้จิตตื่นจิตตื่นเนี่ย มันสามารถควบคุมจิตได้จิตไม่ทัดสาวจะทางไหนก็เรียกว่าเป็นตัวแน่วแน่เป็นตัวสมาธิเป็นสมาธิเสร็จแล้วกำลังมันมากขึ้นมันจึงรู้อะไรเกิดขึ้นก่อนรู้รู้ได้กว้างขวางขึ้นเขาเรียกตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญาตัวปัญญานี้ค่อยเห็นว่าไม่ใช่เราไปทีละเล็กทีละน้อยรู้แคบแคต่อมาความรู้สึกตัวนี้จะขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้น ว้างขึ้นจงกระทั่งอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเห็นว่ามันเกิดมันดับเห็นความเกิดเห็นความดับปัญญาทำให้จิตนี่เข้าใจขึ้นมาว่าเออไม่ใช่ของเรานะมันเกิดมันดับนะในเมื่อจิตมันอยู่กับขันห้าของเราเนี้ยมันมองเข้ามาข้างในนะไม่ว่าอะไรโผล่มากระดามตัวจิตมันก็เห็นว่าเอออันนี้เกิดมกนดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอเห็นอย่างนี้จิ ต, ตออก็คลายออกคลายออก ก็ปล่อยวางมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งถ้าเวทนานี่ยิ่งชัดเจนเลยนะมันเจ็บเนี่ยใครทนเจ็บได้นะลองดูเลยว่าความเจ็บมันเป็นเราได้อย่างไรแต่ก่อนเราว่าเราเจ็บต่อมาก็เห็นว่ามันเป็นเวทนาสั <t> <những> ากว่าเวทนาสัากว่าความเจ็ บ, ค ว, จบความเป็นเรามันก็ดับไปมันก็ทนต่อเวทนาได้บอกเอนี้เองเวทนาเป็นอย่างนี้สักว่าเวทนาสัากว่าเจ็บมันจะเจ็บมากเจ็บน้อยจิตเราก็รู้ได้ ก็ยอมรับว่ามันเจ็บรู้สึกมันไม่ค่อยสบายมันเป็นทุกขเวทนาแต่จิตเราดูเฉยๆได้ไม่รู้สึกว่าเวทนาเป็นของเรานะ้นี่มันก็วางได้ระดับหนึ่งวนันนนั่นก็คือมันวางเวทนาได้ปล่อยได้เวทนาก็อยู่เสียงเดืนาไปจิตผู้ ด, ดูเวทนาก็ดูไปเฉยๆทีนี้ถ้าจิตมันมันมีกำลังมันก็มันก็อยู่กับจิตได้เวทนาก็อยู่ของมันไป มันเวทนามีก็เหมือนไม่มีอ่ะทีนี้ในจิตนี้ยมันก็จะมีเรื่องราวล้นนี่โผล่ขึ้นมาบ้างอะไรบา้างเรื่องของจิตเกิดแล้วกระดับไปเกิดแล้วกระดับไปผ่านมาผ่านไปถ้าจิตนี้กําลังก็จะเห็นอีกว่าเออมันก็เกิดแล้วกระดับมนันอะไรเป็นเราเป็นของเราก็าปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดทา้ายเมื่อจะพูดด้ดูตัวที่กําลังดูอะไรต่ออะไรอยู่นั่นอ่ะตัวมันเองอ่ะมันจะมีจังหวะของมันมีความพอดีของมันเฮ้ยตัวดูนี่ มันก็ไม่ใช่อะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วมันก็เลยเห็นว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันนิพพานอยู่แล้วมันพ้นอยู่แล้วเวลาเข้าไปเห็นจริงๆเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วมันพ้นอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เราไม่เห็นความจริงอันนี้เราก็หลงว่าจิตเป็นเราเป็นเราอยู่ตลอดก็สร้างภาพหลอกลอนตัวเราอยู่ตลอด มันบางทีผู้เจ้าก็สอนสอนง่ายๆรวบลัดเลยว่าจิตไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติมันมันรู้อารมณ์ได้มันปรุงแต่งอารมณ์ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งรู้อารมณ์ได้นอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรรู้อารมณ์ได้เลยร่างกายเราหนาวเราสัมผัสความเย็นความหนาวไอ้ตัวที่ไปรู้ว่าหนาวก็คือตัวจิตไอ้ร่างกายไม่รู้อะไรเลย ในเมื่อมีกายก็มีเวทนาทางกายตัวที่ไปรู้เวทนาทางกายก็คือตัวจิตแต่ตัวจิตนี้มันก็เป็นแค่ธรรมชาติมันรู้่วลมได้แต่ว่าความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยอุปโลกขึ้นมาเราไปสวมลอยเขาขึ้นมาว่ามันเป็นเราจริงๆร่างกายของคนเราอะ่ะมันมีระบบภาษาทอยู่ในนั้นทิ้ง่าดินน้ําลมไฟเวลากระทบความเย็นความหนาวมันก็จะมีเวทนาหนาวเย็นขึ้นมามันเป็นเองโดยธรรมชาติ เสล้วจิตเราก็ไปยึดมันขึ้นม า, าเราหนาวเราหนาวเราหนาวเราก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาก็คือเรายึดร่างกายว่าเป็นเรานี่พระเจ้าดุสอนให้ทำความเข้าใจเรื่องร่างกายก่อนว่ามันมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาอาศัยอาหารก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็อยู่ชั่วคราวเฉยๆด้วยสุดท้ายมันก็ต้องตายไปแต่ดับสลายไปยิ่งเวทนายิ่งชัดเจน แล้วมันเจ็บขึ้นมานี่ที่แรกก็อดทนดูก่อนอดทนถ้าใครทนได้ทนต่อไปอีกวิทนามันก็จะมีอาการทุกข์ขึ้นมารุนแรงขึ้นอีกของเราเนี่ยมันก็จะสร้างคุณสมบัติสร้างคุณสมบัติเพื่อให้ตัวเองไม่ทุกข์ทนอยู่ได้มันก็จะมีกำลังสติรู้อยู่มีตัวสติมันจะรู้อยู่เห็นอยู่มีสติก็มีสมาธิอยู่ด้วยกัน แล้วก็มีปัญญาด้วยเพราะมันมองดูอยู่จิตมันมองดูอยู่เห็นว่าเวทนาจิตกำลังมองดูเวทนาก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่จิตไอความเห็นเนี่ยมันตรงกับความจริงจิตก็เลยคลายออกไปพอคายออกไปนี่เวทนาจะรู้สึกเบาลงไปทันทีทำท่าจะทนไม่ไหวแต่แล้วมันก็ทนได้เพราะจิตมันมีคุณสมบัติที่มีสติมีสมาธิมีธรรญามีวิริยะคือความเพียร พร้อมกับความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำให้กําลังของจิตเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาคุณสมบัติของจิตคุณภาพของจิตมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเจ็บขนาดไหนมันก็ทนได้จมูกมันไม่กลัวเพราะมันไม่ไปยึดเวทนาไอเวทนานี่ก็เลยเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกจิตเราถ้ามันปล่อยได้เวทนาก็อยู่ส่วนเวทนามันมันเข้าไปเป็นจิตถ้าจิตนี้กําลังมันก็มาดูจิต บางครั้งบางข่าวก็ดูจิตมันไม่เสวยสุขไม่เสวยทุกข์มันก็เป็นดูเบขาเบคาเวทนาหรือไม่ยินดีไม่ยินรไลคือจิตเป็นกลางกาทีนี้มันอยู่ข้างในจิตเราก็อยู่กับกายอยู่กับจิตบางทีก็อยู่กับกายบางทีก็อยู่กับเวทนาบางทีอยู่กับจิตถ้ามันปล่อยวางกายเวทนาจิตได้มันมองที่ความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็คือดูธรรมะนี่กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานทั้งส ก็ครบบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ที่จิตของเราหรือผูดอีอย่างหนึ่งก็คือว่าพูดถึงว่าอริยมรรคนั่นเองมันบริบูรณ์สมบูรณ์อริยมรรคมันสมบูรณ์ขึ้นมามันก็เห็นอริยสัจสอริยสัจสี่เห็นยังไงอ่ะมันก็เห็นว่าเอออันนี้เกิดดับอันนี้ไม่ใช่เรานี่คือเห็นทุกข์เห็นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันสุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็อยู่ตามธรรมชาติของมันกายก็อยู่ตามธรรมชาติของมันเวทนาอยู่ตามธรรมชาติของมัน จิตที่นึคิดปรุงแต่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะมองเห็นเป็นธรรมชาติไปหมดเลยก็คือเห็นทุกข์ก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราเนินอื่นเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงจิตก็เลยคายออกไม่ไปยึดไปติดไปคล้องเพราะมันเห็นทุกข์ชัดเจนมันจะไปอยากให้ทุกขเวทนาดับอยากเอาสุขเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นความอยากก็ดับไปอยากให้เป็นอย่างไหนอย่งก็จะไม่มีมันจะมองเห็นระบบ ของธรรมชาติอันนี้มันต้องเป็นปัญญาญาต้องอาศัยจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมีอริยมรรคเหลวหรือมีสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์มันจึงเข้ามามองเห็นระยสัตย์สิได้เห็นภาวะทั้งหลายมันไม่ใช่เราเลยไม่ใช่ของเราเลยคือเห็นทุกนั่นเองทห็นเพงทุกที่จะอยากให้เรามีความสุขก็ไม่เกิดขึ้นไม่อยากให้เรามีทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมันดูเฉยเฉยได้ดูเฉยเยได้ ทุกข์ก็ดับไปจากจิตแต่ในร่างกายมันเจ็บเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเพื่อเรื่องร่างกายนะมันไม่ใช่จิตตัวจิตนี่มันก็จะเป็นกลางๆมันยอมรับทุกสภาพการได้มันก็รู้ว่าสิ่งนี้แหละคือธรรมะแล้วก็ไม่ยึดด้วยว่าธรรมะเป็นเราเป็นของเรามันยึดไม่ได้จิตเจ้าก็ปล่อยพอปล่อยหมดแล้วทีนี้บางทีตัวรู้นี่ตัวรู้นี่มันยังไม่ปล่อยตัวมันเองก็มีมันไม่ปล่อยตัวมันเองมันคลายจะออกจากตัวมันเองไม่ได้ มันมัวแต่ไปจดจ้องอย่างอื่นมัวแต่ให้สอนจิตให้ละอย่างอืน่นลืมสอนจิตให้ละตัวเองจิตมันละตัวเองไม่เป็นที่นี่ไม่เป็นมันก็เลยไปจดจ้องอยู่แต่อย่างอื่นที่นี่คอยจดจ้องว่าอะไรจะโผล่ขึ้นมากายไหมเวทนาไหมจิตไหมทำไหมเนยไปจดจ้องแต่อย่างอื่นไอ้ตัวมันเองไม <t> ันไม่ได้เป็นอะไรมันลืมไปมันไม่มันไอ้ตัวมันเองก็เป็นอนัตตา มันเลยไม่เห็นจิตว่าเป็นอนัตตามีอะสะเพ ธ, ธมานาตาติเห็นไหมว่าทุกสภรพสิเป็นอนัตตาหมดเลยเพราะฉะนั้นบางคนบางคนที่ภาวนามันนานแล้วก็ไปจุดจ้องบางทีจิตมันมันเหมือนกับมันสูงไปจุดจ้องจิตจุดจ้องจิตก็ไปจุดจ้องตัวจดจ้องแล้วไม่ไม่ดูอะเนี่ยตัวที่ไปดูอยู่นั่นตัวที่ไปจดจ้องอยู่นั่นจุดจออยู่นั่นนี่สุดท้ายต้องคลายออกหมดเลย เมยไปจดจออยู่อะไรก็ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นตัวตนขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะนั่นคือไม่เอาอะไรเลยอไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยอยู่ยงั้นนะดูไปไม่เอาอะไรเลยไปจดจ้องจดจอก็เนื่องจะว่าเอาถ้าคุณสมบัติของจิต ย, ยังไม่ถึงขั้นมันก็จดจอไปก่อนได้เพราะกาลังสร้างกําลังสร้างธาตุรู้ขึ้นใหมาแต่ถ้าใครสามารถที่จะเห็นได้ว่ารู้ตัวรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลย แม่เห็นเพียงแป บ, บเดียวเท่านั้นแหละแสงสว่างอย่างอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในจิตเราได้มันจะแจ้ <Yeah. S 1> โงโลกระธ า, า, าตุได้เราต่อไปนี้จะให้ปฏิบัติตามเราพันพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้จิตตื่นอยู่ข้างในเมื่อตื่นแล้วมันต้งจะมองเห็นสภาวะธรรมสต่ว่าธรรมก็สิ่งที่มันเกิดขึ้น ในขณะที่เราปฏิบัตินี่แหละเกิดแล้วก็มันจิตเราก็จะปล่อยไปเรารักษาจิตเราได้มันก็อะไรเกิดก็เกิดตอแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไ ป, บไปสรุปก็ตรงที่ว่าไม่ยึดอะไรเลยนะพราะเราไม่ยึดข้างในนี่เนะี่ยพ่นผูมาแล้วเราปล่อยมันดับไปผูมาปล่อยมันดับไปผูมาให้ปล่อยดับมันก็จะเห็นอันนี้จังความไม่เที่ยง พอมันเข้าใจใลึกซึ้งอยู่ภายในอย่างเนี้ยในจิตดวงเนี้มันเห็นความจริงแล้วความจริงก็คือไม่มีอะไรเลยมันเที่ยงมันมีอันเดียวคือพระนิพพานที่มันเที่ยงแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปถึงตรงนั้นเราก็ให้เห็น น, นั้นจังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อยก็คือปล่อยอย่างเดียวปล่อยอยา่างเดียวเพ่อมันเจาะน้นยจังมันปล่อยปล่อยปล่อยความจริงเนี่ยมันจะลึกซึ้งเข้าไปที่จิตเราม า, มากขึ้นเลยเรื่อยเรื เมื่อเราออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมันก็จะรู้วิธีปล่อยมันจะปล่อยเพราะนั้นถ้าใครปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเวลามาใช้ชีวิตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่าเออทุกมันน้อยลงไปเพราะมันคุณไม่ค่อยยึดอะไรมาเป็นทุกข์เนยอันนี้มันจะถูกต้องแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันยึดมากขึ้นอะ่ะอันนี้ก็แสดงว่ามันต้องเข้าใจผิดแนละ้วปฏิบัติผิด เพราะนั้นเราจึงปวลาปฏิบัติก็มองดูมองดูแบบมองเฉยๆเหมือนเรามองดูเฉยๆจิตมองดูจิตรู้ดูรู้สึกอยู่เฉยๆรู้แบบที่ว่าไม่เอาอะไรเลยรู้เพื่อให้จิตเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเกิดและับไม่มีอะไรเลยที่ควรยึดมั่นถือมัน่นไม่มีอะไรเลยเป็นตัวเราเป็นของเราสุดท้ายเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวจิตนี้แท้ๆจริงก็ไม่มีอะไรเลย แม้ตัวจิตตัวที่ไปดูนูน่นดูนี่อยู่นั่นน่ะตัวมันเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยคราวนี้มันจะดับไปหมดแต่มันต้องกำลังต้องพอด้วยเห็นแจ้งชัดจริงๆมันต้องจะไปเอาเห็นเพียงแว บ, บหนึ่งหรือเล็กๆน้อยๆบางทีมันก็ทำให้กำลังของจิตใจ ม, มันมีกำลังขึ้นมาเพราะมันรู้ความจริงเอาเตรียมตัวนะดูเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะ ก็บอกว่าตอนนี้เราดูอะไรอยู่ก็เอาหลักธรรมของพุทธเจ้านั่นแหล ะ, หละมาทบทวนว่ามีอะไรเป็นเรามีอะไรเป็นของเราไม่ว่าจิตเราจะดูอะไรภาวะเหล่านั้นก็เกิดเองแล้วก็ดับเองเก็นอยู่เองตัวจิตก็เป็นอันหนึ่งตัวจิตเป็นแค่ผู้ดูตัวที่ดูได้ก็คือตัวจิตเทรานั้นเอง เวลาจิตไปมองดูก็เหมือนกับคืนนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุมันไรั่วลมเมื่อไหร่เขาเรียกว่าเป็นวิญญาณมันไปนำทําหน้าที่รั่วลมแต่คือตัวจิตนั่นเองช่วงที่มันออกมารั่วลมเขาเรียกว่าเป็นตัววิญญาณเมื่อมันรั่วลมแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเวลามันไม่รั่วลมมันก็ไปอยู่ในธรรมชาติของมันคือเข้าสู่ผวังของมันเวลามีอะไรกระทบอารมณ์มันก็จะออกมารู้อีกหมายว่าในตัวมันเองก็เกิดเกิดดับอยู่ตลอด ทีนี้เราก็มาดูว่าเออมันมีอะไรก็สรุปก็คือเอาธรรมะของพระเจ้าเข้ามาว่ามันเป็นเราไหมเอามาย้อนเข้ามาดูตัวเองขันหา้าหรือมาดูกายเวทนาจิตธรรมมีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างนี่ก็คือมามาดูความจริงเลยรัดสั้นเลยรวมทั้งตัวมันเองด้วยตัวจิตเองด้วยตัวมันเองด้วยอย่าลืมดูตัวมันเองถ้าเรายังดูไม่ได้ไม่เป็นไรนะ หมาว่าสําหรับคนที่ดูได้เนี่ยต้องอย่าลืมดูตัวเองตัวจิตตัวที่ไปรู้อารมณ์ี่ยอะไรรู้อะไรรู้ผู้รู้อยู่ที่ไหนผู้รู้บางทีก็กลายเป็นตัวหาไปมันไปหาตัวหาหรืออะไรหาอยู่มันก็เลยมีวันหลอกเราอยู่ตลอดไอ้ตัวจิตเนี่ยพอพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นเหมือนนักมายากลมันเร็วเวลาเราดูคนลยพยายามจับแล้วจับอีกจับไม่ได้เพราะมันเร็วมาก จิตนี้เหมือนนักมายากลรวดเร็วแล้วก็ยังได้เอาพลิกไปรพลริกมาแต่ก็ไม่เกินสติปัญญาของเราที่จะรู้ทันทเห็นความจริงได้เอาคอนจะเลิกเราก็จะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการเอาหลักธรรมของพระงค์เข้ามาพิกจิตของเราเอาเข้ามาดูตัวเองแล้วก็ถามว่ามีอะไรเป็นตัวเรา <c oughs> เป็นของเรา ได้ตลอดไปไหมมีไหมมีอะไรเป็นเราเป็นจริงเป็นจังได้ไหมให้จิตมันรู้ว่าเป็นเราชั่วคราวเฉ ย, ยๆนี่เราอยู่มีชีวิตอยู่แค่ชั่วคราวพระเจ้า ท, ท, ท่านก็รับรองว่าเนี่ยเหตุผลอันหนึ่งที่พระองค์จะต้องเวียนไหวตายเกิดยาวนานมากในวัฏสงสารเหตุที่เราและเธอพูดกับพระดูก่อนพิสูจทั้งหลายเหตุที่เราและเธอต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็น เวลายาวนานมาก<ด>ก็เพราะว่าเราไม่เห็นความจริงเองไม่เห็นอริยสัจสไีไม่มาเห็นสภาวธรรมที่มันเกิดแล้วดับอยู่อย่างเนี้ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจบังคับบัญชาของเราเราไม่ได้เข้าถึงความจริงอันนี้ทําให้เราและเธอจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดู ดูความจริงเราจอเข้ามาดูตัวเราภายในกายเราภายในจิตเราแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาามีอะไรเป็นเรามีอะไรเป็นของเราถ้าหาว่าใครสามารถที่จะบูชาพทะเจ้าด้วยปลดเปลื้องความเห็นผิดอันนี้ออกไปว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนี้มันจะเบาจะโล่งจะสงแล้วนี่แหละเป็นการบูชาที่สูงที่สุดเลยปฏิบัติบูชา สูงที่สุดแล้วแต่ที่ภายในภาวะทางจิตใหญ่ถ้าว่าเออเอาจิตเรากลับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้คุมจิตเอาไว้ได้มีระดับหนึ่งละขั้นสมถะขั้นสมาธิจิตอยู่กับตัวเองจากนั้นดูต่อไปมากขึ้นมากขึ้นผู้ดูเริ่มมีกำลังเพิ่มขึ้นวควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเราได้ตลอดเวลานานขึ้นเรื่อยเรย จากนั้นก็มาแจ้งมาชัดว่าไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นเราเป็นของเราจิตก็คลายออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายแม้แต่ตัวมันเองตัวจิตเองก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ทิ้งหมดสรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรเป็นอะไรว่าเป็นธรรมชาติเข้าสู่ภาวะของธรรมชาตินี่เรียกว่าบูชาที่สูงที่สุดเลยคือ ท, ทบทวนธรรมะของพระพูทธเจ้า รพรแผ่เมตตาจิตหน่อยทำจิตให้มีเลตตาปัตถนาดีดูเบคขาก็ได้จิจเบคขานี่ก็เป็นเมตตาชนิดหนึ่งเป็นปาตตนาดีชนิดหนึ่งเหมือนกันนี่ให้บินก็ได้นี่ก็เป็นเมตตาชนิดหนึ่งจากนั้นก็เอาย้ำลงไปมอบ ก, กายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มันฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเราประกาศปณิธานของเรานี่แหละข้าพเจ้า จะพยายามประพฤติธปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวนัฏสงสารต้มีเป้าหมายอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเลยปฏิธานนี้มันจะสําเร็จก็ต้องแน่วแน่เพราะฉะนั้นพอเราประกาศปฏิธานแล้วกินเราต้องแน่วแน่ย้ําเลย พ, พ้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวนัฏสงสาร ให้มันตักเข้าไปในจิตเราฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเราขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกในวัฏสงสารด้วยเทอมีราวะย้ำเข้าไปไม่มีพันลัำมาแล้วก็ตั้งใจอยู่ที่บุญด้วยเอาวันนี้กอแค่นี้นะ